อนอบน้อมต่อคุณพรตัตนะไตรโอกาสตลงงพ่าคำเขียนเพื่อนตัดธรรมิกทุกท่านจเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่าน <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นช่วง <c oughs> ทีนะ่ปฏิบัติธรรมเข้มกันเนาะหลายหลายคนก็ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมกันนะบางคนก็ มาปฏิบัติกันประจํากัอบทุกปีก็มีนะหลายหลหลาย ห, ายหายท่านก็คงปฏิบัติกันมาหลายๆปีแล้วนะหรือบางท่านก็อาจจะมาใหม่นะในปีสองปีนี้หรืออาจจะปีนี้เพิ่งมาใหม่ก็มีอนะ่ะแต่สิ่งเหล่านี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่ต่างกันนะว่าผู้ปฏิบัติเก่านะหรือผู้ผปฏิบัติใหม่นะอ่านะ จะมีความเข้าใจธรรมะต่างกันก็อาจจะไม่จำเป็นนะ <c oughs> ความเข้าใจธรรมะหรืออะไรก็เกิดจากในขณะปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะว่าเราสามารถรู้กายรู้ใจในขณะปัจจุบันนี้ได้ไหมถ้าเรารู้กายรู้ใจในปัจจุบันนี้เนะ่ยก็ชื่อว่าเรา เ, เข้าใจแล้วก็เห็นธรรมในปัจจุบันนี้แล้วใช้ได้เลยนะ แต่ถ้าเราปฏิบัติมานานแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่รู้กายไม่รู้ใจในปฏิบัตินี้เราก็ยังถือว่าเรายังไม่ได้อยู่ในปัจจุบันธรรมอยู่ดีนะเพราะการปฏิบัติก็คือเรากลับมาอยู่ปัจจุบันธรรมปัจจุบันนี้เนี่ยเรากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยเรารู้ไหมเรากําลังนั่งนั่งฟังธรรมนะเรารู้ไหมว่าขณะนี้กําลังนั่งฟังธรรม หรือเราขยับไม้ขยับมือเนีเรารู้ไหมว่าเรากําลังขยับไม้ขยับมือนะแล้วก็เราแค่เป็นผู้ดูเฉยๆนะเป็นผู้รู้ผู้ดูเฉยๆเท่านั้นเองไม่ได้เข้าไปเพ่งในอาการขณะนั้นนะไม่ได้ไปเพ่งใส่มือ <c oughs> ไม่ได้ไปเพ่งใส่เท้านะไม่ได้ไปเพ่งใส่เอาไ ว, ไวัยวะต่างๆของร่างกาย เป็นแค่ผู้ดูผู้รู้เฉยๆเท่านั้นเองนะดูอยู่ห่างๆดูอย่างสบายๆดูอย่างลุมๆนะเป็นเป็นผู้ดูนะผู้ผู้รู้แบบเป็นผู้ดูไม่ได้เข้าไปเป็นผู้เป็นในขณะนั้นนะไม่ได้เป็นแนบแน่นกับการปฏิบัติมากเกินไปตามรู้จนจิตแั่นไปเลยนะจิตรู้สึกไม่สบายอ่าไม่มีความปลอดโปรง่งไม่มีความเบา มีแต่ความหนักความแน่นความตรึงความเครียดนะอันนี้ก็ปฏิบัติไม่ถูกต้องนะถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องจะรู้สึกว่าเบาๆสบา ย, บายนะการเคลื่อนไหวก็เบาๆรู้ก็เบาๆนะแล้วก็จิตมีการเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ทันนะรู้ทันว่าขณะนี้เราคิดไปแล้วเราก็รู้ทันได้นะก็กลับมา นะรู้ทันแล้วก็กลับมาเนี่แหละก็เรียกว่าตามรู้กายรู้ใจนะอันนี้ถ้ า, ถาใครปฏิบัติได้ตามนี้ก็ถือว่าถูกต้องนะใช้ได้เลยนะนะจึงไม่จำเป็นว่าต้องเป็นนักปฏิบัติเก่าหรือปฏิบัติใหมนะ่ถ้านักปฏิบัติใหม่แล้วเข้าใจตามนี้ก็ถือว่าเราก็ได้ผลดีแล้วนะเพราะเราไม่ได้ไปบังคับไปกดข่มจิตนะเป็นไปตามที่เราต้องการนะ พอธรรมะที่แท้จริงก็คือให้เขาเป็นตามที่เขาเป็นไม่ใช่ให้เขาเป็นตามที่เราต้องการนะถ้าเป็นไปตามที่เราต้องการก็คือเราจะไปกดข่มไปบังคับอไปคอยอควบคุมอสิ่งเหล่านี้ยก็ไม่ถูกต้องนะอเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้บังคับไม่ได้กดข่มแล้วเนี่ยเขาก็แสดงอาการาตามเป็นความเป็นจริงของเขาเองนะเช่นบางทีเขาเอคิดไป เขาก็คิดไปก็ไม่เป็นไรก็เป็นการที่จิตเขาแสดงอาการของเขาเองน ะ, ะเขาคิดไปเราก็รู้ทันแล้วก็กลับมาอันนี้เราก็ได้หลงจากคัดที่เราหลงก็เปลี่ยนเป็นรู้น ะ, ะหลงเ ป, ลเป็นรู้นี่แหละเราจรึงจะเก่งนะเราเรียกว่าเราได้คะแนนตรงนี้น ะ, ะเพราะเราไม่ได้ไปกดข่มเขาแต่ถ้าเราไปบัแล้วเราไปคอยกดข่มว่าเออคอยบังคับอยาเข้าคิดนะให้ติด คอยรู้ตามรู้ตลอดเวลาไปเรื่อยๆจะได้ไม่คิดอะไรจิตจะได้ไม่ไปไหนคอยรู้ตลอดเวลาเลยอันนี้ก็กลายเป็นไปกดค่มเขาอีกเนาะอันนี้ก็เรียกว่าเราไปคอยควบคุมเขาอันนี้ก็เป็นสมรถะไปอีกให้ให้จิตสงบไปให้จิตนิ่งไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้แสดงอาการตามความเป็นจริงของเขา เ, เพราะว่าการบาด ท, ที่ท้ายจริงก็คือให้จิตเนี่ยเขาแสดงตามความเป็นจริงของเขา แล้เราก็ไม่หน้าที่คอยตามรู้เท่านั้นเองนะเราก็คอยตามรู้ไปนะไม่ว่าอารมณ์อะไรทั้งหลายวันวันหนึ่งมีเยอะมากนะปฏิบัติธรรมนีนะ่เดี๋ยวก็คิดฟุ้งซ่านไปละวเห็นไะหเดี๋ยวก็อาจจะเบื่อนายนะเกิดความเบื่อนายนะบางทีก็เกิดความรู้สึกว่ามันน่าเบื่ออ่านะแล้วก็ทรมานนะรู้สึกว่าทนทุกข์ทรมาน หรือเกิดความรู้สึกว่าทําไมคนอื่นเขาไปบัตดได้นานกว่าเราอเราบาิบัติได้แป๊บเดียวหรือเราไปบาดสู้ก็ไม่ได้หรือคนอื่นเขาเก่งกว่าเราอะไรหลังเงี้ยอันนี้คือความที่เราฟุ้งซ่านทั้งนั้นเลยนะอ่ามีควา ม, มวเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอีกว่าเราสู้เขาไม่ได้หรือเราเก่งกว่าเขาอ่าเราเดินได้สามชั่วโมงเขาเดินได้หนึ่งชั่วโมงอันนี้ก็จริงๆแล้วก็ <c oughs> เป็นการ ถ้าเราปฏิบัติด้วยความคิดเช่นนี้เราก็เรียกว่าเป็นมานะนะในทางสังโยชน์เขาเรียกเป็นมานะก็คือเราคิดว่าเราดีกว่าเขาหรือเราอ่อนแบบเราด้อยกว่าเขาหรือเราเสมอเขาอันนี้ก็เป็นมานะหมดเลยนะก็เป็นความเป็นตัวเป็นตนนะแล้วก็เป็นกิเลสด้วยนะเราทําแล้วเราเก่งทั้งหลายแหลาก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอีกใช่ไหมก็ไม่ได้ออกจากตัวตนไม่ได้ออกจากกิเลสนะ แล้วก็การไปบัติเราก็ไม่ได้ไปไปบัติแข่งกับใครเออเขาเดินได้สามชั่วโมงเราต้องเดินได้สี่ชั่วโมงอะไรเงี้ก็กลายเป็นการแข่งขันกันอันนั้นก็ไม่ถูกต้องนะแต่การไปบัติก็คือเราก็อยู่กับตัวเราเองนี่แหละใครทําได้นานก็ไม่เป็นไรเราไปบัติไปตามที่เราอ่ามีความเพียงพอในขณะนั้นก็ใช้ได้แล้วนะแต่ไม่ได้ไปบัติด้วยความขี้เกียจแต่ปไปบัติตามธาตุขันที่เราทําได้อะ เราประบาดได้สชั่วโมงเราเปิบัติได้หนึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นไปตามธาตุขันที่เราต้องการเพราะว่าปฏิบัตินี้ไม่ได้เปิบัตรเพื่อให้ไปแข่งขันกับใครนะหรือให้เกิดเวทนานะก็ไม่จําเป็นแต่เป็นการรู้กายรู้ใจในปฏิบัตินั้นเองนะอันเนี้ยมันพอเราเข้าใจในแบบนี้แล้วก็คืออารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นมันก็ได้อ่าพอใจไม่พอใจอ่ามีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังทั้งหลายเราก็ไม่ได้ไปกดข่มเขา เราก็รู้ไปตามความเป็นจริงเหล่านั้นนะรู้เราก็ไม่ไปติดกับเขาด้วยนะเราก็ไม่ไปคอยขับใสคอยผลักไล่เขาเอารมณ์นี้ไม่ดี <c oughs> มีความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไปคอยผลักใสเขาอยากโกรธนะอาจจะมีคำบริกรรมต่างๆช่วยให้ไม่หายโกรธให้ความโกรธออกไปยังลดเลยวนันนี้เราก็ไม่ถูกอีกนะเป็นการผลักใส่การผลักใส่ เ, าสเขาเรียกว่าเป็นเวลาคะ ตันหานะัก็คือไปคอยผักใสเขาอีกนะคอยขับไล่อันนี้ก็ไม่ใช่ของจริงนะเพราะว่าเราจะไม่เข้าใจอารมแต่เราเข้าใจลมก็คือเขาอยู่หรือเขาไปก็ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับเราเนะพราะลมทั้งหลายเขาเกิดของเขาขึ้นมาเองแล้วการดับก็คือเขาก็ต้องดับเองด้วยไม่ใช่เราไปไปบังคับให้เขาดับนะไปบังคับให้เขาดับก็เป็นสมถะทั้งหมดเพราะใบกอยกดข่มแต่ถ้าเราสามารถที่จะ ให้เขาดับไปตามที่เขาเป็นเขาเองนะเราจะเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้ชัดเจนเราก็ไม่ใช่เกิดจากฝีมือเราแต่เราจะจำสภาวะทมได้แม่นขึ้นจะเห็นการที่เขามาแล้วเขาไปของเขาเองนะแต่ถ้าเราไปทําให้เขาดับโดยฝีมือของเราแล้วนะเราจะไม่เห็นความจริงตรงนี้เราจะกลายเป็นฝีมือของเราเองเราจะไม่เห็นสภาวะความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่แท้จริง ของอารมณ์ต่างๆนะอันนี้ก็จะทำให้เราไม่ไม่เห็นสภาวะของพระไตรลักษนณะ์คือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตก็ไม่เกิดปัญญาในตรงนี้นะเพราะการปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อให้เห็นพระไตรลักษณ์ในรูปและนามนะเมื่อเราเห็นพระไตรลักษณ์ก็คือความเป็นนิจจังทุกขังนาตาของรูปก็คืออาการทางกายที่มันเกิดดับแล้ว ของนามก็คืออาการทางใจที่เขาเกิดดับแล้วเนี่ยอันนี้จริงจะเป็นวิปัสนานะแต่ถ้าเราไม่เห็นในตรงนี้มันก็ไม่เป็นวิปัสนาอยู่ดีอันนี้ก็เป็นแค่สติอ่าเป็นแค่สมถะเป็นแค่อ่าความตั้งมั่นของจิตเท่านั้นเองนะยังไม่ได้เข้าถึงวิปัสนาที่แท้จริงนะเพราะการเข้าถึงวิปัสนาคือเราเห็นสามารถเห็นอาการของกายต่างๆที่เขาเกิดดับ นะบางทีเราเดินเนี่ยเราก็เห็นเอออาการที่เขาเดินเนี่ยเาก็มีอาการเคลื่อนไหวไปนะะจากตรงนี้เราก็ไปอีกที่หนึ่งเนี่ยที่อยู่เดิมก็เปลี่ยนไปแล้วน ะ, ะหรือการก้าวเท้าก็เห็นอาการเกิดดับของการก้าวเท้านะเห็นสภาพว่าต่างๆของร่างกายที่มันเคลื่อนไหวไปมันไม่ได้อยู่ที่เดิมสภาพว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเวลาเรายกมือเราก็เห็นว่าเอออาการที่มันจำเมื่อกี้ยกมือก็ลงมา เปลี่ยนไปเป็นเคลื่อนเป็นหยุดนะหยุดเป็นเคลื่อนมีการกระทบรููแล้วก็ดับไปนะหรือเรานั่งอยู่ก็เปลี่ยนขึ้นมายืนอาการนั่งก็ดับไปอาการยืนเปลี่ยนมาเป็นเดินอาการยืนก็ดับไปจากเดินกลายเป็นหยุดก็การเดินก็หยุดไปดับไปกลายเป็นหยุดนะพอเรากลับมานั่งอีกอาการยืนก็ดับไปกลายไปมานั่งอีกนะนั่งแล้วไปนอนอาการ นั่งก็ดับไปกลายไปเป็นนอนอีกนะบางทีถ้าเรารู้ละเอียดก็เห็นบางทีกระพิบตานะกระพิบตานี่ก็เห็นความเกิดดับของการกระพิบตาได้นะหรือรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจอาการเกิดดับเมืลมหายใจก็มีอีกนะบางทีละเอียดขนาดแล้วอ้าปากพูดก็รู้ว่าการที่มันอ้าปากพูดอาการอ้ า, อาและและผุบ ป, ปากก็คือการเกิดดับของอาการทางกายาต่างๆเหล่านั้นนะเหลียวซ้ายแลขวาก็เห็นได้ว่าเออมื่อกี้เราเหลียวเหลียวไปแล้วนะอาการเหลียวไปก็ดับไปอีกนะ ก็เห็นสิ่งเราเนี้ยได้จากอยาไปหาละเอียดก็เห็นสภาวะที่มันเกิดดับไปและการเกิดดับนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราก็เป็นแค่เป็นแค่รูปนะก็คือกายที่มันเกิดดับเท่านั้นเองนะมันก็เป็นการเห็นสภาวะของกายตามความเป็นจริงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะเวลาเรายกมือไส้ยังวะถ้าเรารู้หลวม รู้รวมๆรู้ว่าห่างๆรู้แบบเป็นผู้ดูนะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแค่กายเท่านั้นไม่ใช่ตัวเรายกมือขยังหวะนะเป็นแค่กายอที่มันเคลื่อนไปเพราะเราเป็นผู้ดูอยู่เราก็เห็นมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นแค่อาการบางอย่างที่มันเคลื่อนเท่านั้นเองนะไม่ไม่ใช่ตัวเรานะมันถ้าเห็นตรงนี้มันก็สามารถเห็นได้ชัดเลยนะมันกลายเป็นเราเห็นรูปเนี่ยถ้าเราเห็นสภาวะนั้น ก็กลายเปว่าเราเป็นผู้ดูนะรูปเป็นสิ่งที่ถูกดูนะไม่ใช่ตัวเรากลายเป็นแค่รูปเท่านั้นเองเห็นยกมือเห็นนาการเคลื่อนไปเคลื่อนมาของมือมีสภาวะอย่างหนึ่งที่ไม่ไม่ใช่ตัวเมตต์ตนของเราตรงนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยเว่าเราเป็นผู้ดูเพราะเราเป็นผู้ดูเพื่อไปสิ่งที่ถูกดูนั้นเราก็คือไม่ใช่เราแล้วนะเป็นแค่รูปเท่านั้นเองนะหรือในขณะเดียวกันเราก็เห็นความคิดมีความคิดแวบไปแวบมาเราก็เป็นผู้ดูเฉยๆก็เห็น อาการของความคิดนะเป็นแค่นามเท่านั้นไม่ใช่เรานะเราก็เป็นผู้ดูไปแล้วนะก็เห็นอาการของความคิดไปนะมันก็เห็นรูปเห็นนามที่มันแยกกันนะก็เรียกว่านามรูปปริเฉยทะยานคืออ่าเห็นรูป <c oughs> เห็นรูปแล้นามแยกกันแล้วนะไม่ได้เป็นตัวเป็นตนแต่ว่ามันแยกกันไปเลยนะเห็นรูปอยู่อยู่เคลื่อนอยู่ทางนึงอ่านะรูปเคลื่อนไหวทางนึงเห็นนามก็คือจิตมันคิดไปอีกทางนึง แต่เราเป็นผู้ดูได้นะก็เรียกว่าเป็นการแยกรูปแยกนามแล้วนะหรือเรียกว่านามรูปปริเฉลยานเนีเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเห็นเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาแล้วนะไม่ใช่ว่าเป็นตัวตนเราเห็นความพระไตรักษณ์ของรูปของนามอันที่เขาเกิดดับไปอันนี้จึงเป็นวิปัสสนาญาณอันนี้ทําให้เราออกห่างขึ้นเราก็ไม่ติดในสภาวะต่างๆเหล่านั้นว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา แล้วก็ <c oughs> การปฏิบัตินั้นไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแต่ในรูปแบบเท่านั้นนะอะถ้าเราตั้งใจปฏิบัติแค่ในรูปแบบเช่นไส้ยังบะหรือเดินจงกรมมันก็จริงๆแล้วก็น้อยไปนะก็ถือว่าเรายังปฏิบัติอยังไม่เข้าถึงจริงๆนะเพราะนั้นมันเป็นับความตั้งใจแค่ในรูปแบบเท่านั้นนะแต่ถ้าเราสามารถที่จะอยู่นอกรูปแบบไปทั้งวันนะ อันนี้จะทําให้เรายิ่งก้าวหน้ามากขึ้นนะก็มีอพระอาจารย์ใบาสารท่านก็ตอนไปอยู่หลงพ่อเทีใหม่ก็ถามหลวงพ่อเทียนว่าออืาจจะไปบัดเวลาไหนบ้างครับหลงพ่อเทียนบอกว่าให้ไปบัด ต, ตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเลยนะก็คือไปบัดทั้งวันนั่นเองนะอะคราวนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็เริ่มตื่นนอนตื่นนอนปั๊บนี่เราก็ให้รู้สึกตัวก่อนนะเราก็ค่อยลุกขึ้นมาอคราวนี้เมื่อลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราแปรงฟัน ล้างหน้าล้างตาหรืออาบน้ําำพับผ้าหม่มอ่าทั้งหลายแหละก็รู้สึกตัวไปด้วยนะการรู้สึกตัวก็เป็นรู้สึกแบบเป็นคนดูๆนั่นแหละไม่ได้เข้าไปจมแช่ไม่เข้าไปแนบแน่นมากเกินไป <c oughs> แต่ใหม่ๆเรายังรู้ไม่ทันก็มีเจตนาทำไปก่อนอพับพ้าห่มก็ตั้งใจพับไปก่อนแล้วก็ตามรู้ไปด้วยตามรู้แบบสบายๆเบาๆรู้ <c oughs> อรู้มากไม่ <c oughs> รู้มั่งไม่รู้มากนะไม่ต้องตามรู้จนแนมแนัน่นหรือรู้รอยเอร์เซ็นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นไปเพงไปนะเรารู้แบบเบาๆเป็นผู้ดูเงี้ยเออมือพระพบผอมก็เป็นผู้ดูไปนะแปลงฟันก็เป็นผู้ดูไปนะอล้างหน้าอาบน้ําก็เป็นผู้ดูไปมันก็กลายเป็นเรารู้ห่างๆรู้แบบหลวมๆนะมันกลายเป็นผู้ดูไปเราก็เข้าใจเออมันก็ มันก็แค่เป็นผู้ดูเท่านั้นเองนะไม่ได้เป็นผู้แนบแน่นกับกับร่างกายจนเกินไปนะมันก็ถอนตัวเป็นผู้ดูได้นะอพอหลังนั้นเราก็เดินไปเดินมาเดินไปทานอาหารนะเราก็เวลาเราเดินไปแล้วก็เป็นผู้ดูไปนะไมไ่ว่าเป็นแนบแน่นกับการเดินแมันก็ดูแบบห่างๆไปเรื่อยๆทั้งวันนะเองน้อยขยับเขยื้อนเล็กๆน้อยๆ น, นะอยู่ดีก็เอามือมาเก า, าเกาศรีรษะ แเราก็สังเกตเออเมื่กี้เกาเสือสากาลังเกาเสือสาอยู่นะมันก็สามารถที่จะเห็นได้เลยว่ามันกําลังทําอะไรอยู่นะอันนีน้มันเป็นมันเป็นการเจริญสติที่แท้จริงเพราะเราไม่ได้ไปตั้งใจแต่เราอาตามรู้ตามความเป็นจริงของเขานะออหรือบางทีเรานั่งแล้วเออพับเพียบทั้งซ้ายกลับมาพับเพียบทั้งขวาใหมออ่มันก็สามารถตามรู้ได้นะอันนี้ก็คือความจริงที่ว่าเกิดขึ้นแล้วเราก็ตามรู้ไปในปัจจุบันนี่แหละ อันนี้มันจะเกิดสติที่แท้จริงขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้ไปตั้งใจแต่ว่าเป็นการตามรู้ตามที่เขาเป็นจริงๆ <c oughs> นะจริงๆแล้วมันตรงนี้มันทําในทั้งวันเลยนะเดี๋ยวเราอาจจะซักผ้าก็เหมือนกันนะซักผ้าก็รู้แบบผมหลวมนั่นแหละมือกําลังซักไปล้วก็คอยสังเกตไปเท่านั้นเอง เ, อเป็นมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะ เ, เป็นผู้ดูการเคลื่อนไหวเหล่านั้นไปจิตมันก็จะเบาสบายไปเรื่อยๆทั้งวัน ในในในสุดเราก็อยู่กับนอกรูปแบบไปทั้งวันเลยนะอยู่แบบสบายๆไม่ต้องไปคอยอยู่ร้อยเปอร์เนตอยู่แบบรู้มัง่งไม่รู้มากนี่แหละเป็นของจริงนะแล้วก็ในขณะเราอยู่กับรูปแบบปัจจุบันจะมีความคิดแวะไปเราก็รู้ทันนะรู้ทันอาการต่างๆได้ก็กลับมานะเห็นไปตามความเป็นจริงเนี่ยโอ้มีความสุขนะทั้งวันนะมันก็ไม่เคร่งเครียดนะแล้วก็ไม่ไม่กดข่มด้วย <c oughs> แต่ถ้าเราไปตั้งใจรู้ทั้งวันรู้แล้วไม่ไปไหนเลยนะจิตมีความแนบแน่นกับตัวรู้มากเกินไปมันก็จะเกิดความตึงความเครียดความไม่ผ่อนคลายนะเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจตามมานะอันนี้มันก็เรียกว่าเร า, เาไปบังคับเขาแล้วนะจิตเขาไม่อยากให้ใครไปบังคับเขาหรอกนะพอเขาถูกบังคับมากๆเขาก็เกิดความเบือ่อเกิดการต่อต้านขึ้นมานะทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจ แต่ถ้าเราไม่บังคับเขาเขาก็สบายๆเขาหนาแล้วเขก็แสดงความเป็นจริงให้เราเห็นในโรดต่างๆในความโลภความโกรธความหลงสภาวะที่แท้จริงแล้วเราก็ได้ศึกษาตามความเป็นจริงว่าเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่มีความรักความชังอยู่เนี่ยเราก็ศึกษาไปตามความเป็นจริงเช่นนี้น่ะในสุดเราก็เห็นสภาวะต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เนะพราะเราไม่ได้ไปให้ค่าในอารมณ์ต่างๆเ่านั่นที่เกิดขึ้นนะพอไม่ให้ค่านี้เขาก็ดับไปเลยนะอารมณ์ต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนกับเด็กอะ่ะพอเราไปให้ค่าเขานะเด็กมาแล้วก็ไปคอยทนุถนอมไปคอยดีเขาเรื่อยๆเขาก็อยู่กับเรา <c oughs> เขาก็ไม่ไปไหนนะเหมือนกับสุนัขเหมือนกันสุนัขมาหาเราปุ๊บเราก็ไปลูบหัวลูบหลังเขาเอาอะไรเขากินเขาก็ไม่ไปไหนเขาก็อยู่กับเราทั้งวันนะ อารมณ์ต่างๆเหมือนกันนะถ้าเราไปคอยสนใจเขาเขาก็อยู่กับเรานานนะแต่เมื่อเขามาแล้วเราไม่สนใจเขาก็ไปอย่างเขาเองนั่นแหละใช่ไหมอ่ก็เหมือนกันนะอารมณ์เนี่ยมันก็เด็กๆ เ, เลยนะอะ่เพราะฉะนั้นการที่เราจะดูเด็กเราจะดูอย่างไรนะก็เราไปตั้งใจดูไม่ได้นะอ่าเด็กคนนึงเราจะรู้ว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรอ่าสนไหมน่ารักไหมเชื่อฟังไหมดื้อไหมนะี่เราไปคอยจ้องดูนี่เด็กก็ซึมไปเลยนะเขาก็ไม่กล้าสแสดงอาการต่างๆ การสนอการดื้อใเราเห็นหรอกเขาก็นิ่งๆอยู่นะเพราะฉะนั้นการดูเด็กก็คือเราก็แอบดูนะแล้วก็ชำเลืองดูแอบดูชำเลืองดูเด็กเขาก็แสดงตามความเป็นจริงของเขาเราก็รู้ว่าเด็กเด็กนี่นี่ใสอย่างไรนะเพราะฉะนั้นจิตเราก็เือนกันเราไปคอยจ้องคอยเพ่งเขาก็ไม่แสดงอาการตามความเป็นจริงแต่เราก็ทําเล่นๆทําสบายๆนี่แหละเขาก็แสดงอาการตามความเป็นจริงมานะของเขาเองนะเราก็เห็นเขาก็หลงไปนะ เขาก็ดีเขาก็ร้ายเขาก็พอใจเขาก็ไม่พอใจเราก็เป็นผ like ู้ส yeah. ังเกตเท่านั้นเองนะผู้สังเกตเราก็รู้จักจิตเราได้แท้จริงนั่นแหละว่าจิตเราเนี่ยเป็นอย่างไรในอุดมเราก็จะเข้าใจตัวเราเองว่าเราเป็นคนอย่างไรกันแน่นะการปฏิบัติธรรมก็คือกลับมารู้จักตัวเราเองเท่านั้นนะกลับมารู้จักรู้จักกายรู้จักใจของเราอย่างแท้จริงนี่แหละพอเรารู้จักที่แท้จริงแล้วแล้วเขาก็จะค่อยๆวางวาง รูปนามนี้นะหรือวางกายวางใจของเขาเองนะมันเขารู้จักตัวเขาเองแล้วนะเขาก็ไม่ไปยึดติดตัวเองเพราะว่าเขาต้องเห็นบ่อยๆนะเห็นจนเรียกว่าเห็นเห็นซ้ำซ้ำซากซากเห็นเห็นแล้วเห็นอีกนะในสภาวธรรมนี่แหละเห็นอาการต่างๆของจิตนะไม่ว่าจะเป็นกายนะเรายกมือสร้างหยวกหรือเดินโยกมก็เห็นซ้ำซ้ำซกซากตปอย่างนี้แหละมันเห็นเห็นรูปที่มันซ้ำซ้ำซกซากจิตว่าเปื่อหน่าย เห็นอาการของใจหรือเห็นนามมันก็เห็นซ้ำซากซากเห็นเขาคิดไปเขาหลงไปเห็นอย่างเงี้ยซ้ำซากซากจิตก็เกิดความเบื่อหน่ายนะเห็นอารมณ์ต่างๆของใจนะความรักความชังความโลภความโกรธความหลงความิจฉายความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจความเหงาความเครียดก็เห็นซ้ำซากซากเห็นไปเรื่อยๆนะเห็นเห็นแบบเห็นแล้วเห็นอีกนะจนจิตเขาเกิดความเบื่อหน่ายเขาเองนะว่า สิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วก็ไปไม่มีสาระไม่มีกัสารอะไรเลยจิตก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นไปเองอจิตก็จะปล่อยก็วางเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของที่เข้ามาแล้วเขาก็ไปอยู่แล้วน ะ, ะเพียงแต่ว่าเมื่อเราไปสนใจเขาให้ค่าเขาเขาก็อยู่กับเรานานแต่พอเราไม่สนใจไม่ค่าเขาก็ไปของเขาเองน ะ, ะจิตก็เห็นสภาวะวาความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอของสภาวะของรูปและนามได้นะจิตก็เกิดความเบื่อหน่าย เมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะเพราะจิตเขาไม่ได้ไปยึดมั่นในรูปะนามเหล่านั้นว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเพราะรูปนามเหล่านั้นเขาก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราอยู่แล้วนะแต่เฮ้่เป็นยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะเราเกิดความเข้าใจผิดนั่นเองว่าเป็นเราคิดเป็นเรารักเป็นเราชังเป็นเราโกรธเราเกลียดเป็นเราเคลื่อนไหวเรารู้สึก เป็นเราเดินเรานั่งเรายกมือนี่แหละมันจิตตรงนี้มันเขาเรียกว่าจิตมีโมหะคือความที่เร้เาไม่รู้ตามความเป็นจริงนะแต่เมื่อจิตเขาเห็นบ่อยๆเออการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปนามจิตก็จะค่อยๆเข้าใจแล้วล ว, ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ตนจริงๆนะเพราะเขามาเป็นไปตามเหตุเขามาตามเหตุแล้วก็อยากไปตามปัจจัยอเพราะฉะนั้นดูอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ให้ตัวไม่ตนของเราแล้วเนี่ย จิตก็จะค่อยๆคลายความยึดมั่นในตัวตนนี้นในอัตตาตัวตนในความเป็นสักกายติฐินี้นะเมื่อจิตค่อยๆคลายความยึดมั่นแล้วนะจิตเมื่อปล่อยก็วางอ่ก็คลายออกจากความยึดติดอ่าเป็นเวลาคะไปนะก็คือการอ่าที่จิตไม่ยึดมั่นอีกต่อไปนะเวลาคาะอ่แล้วก็เป็นนิโรโทรก็คืออ่าความปล่อยไม่เหลือของตัณหาจาโ ค, คือการสละออกตัณหาอ่า ปฏินี้สัคโขคือการสรั่งลือกคืนตัณหาอนาลโยคือาาา ก, การทําให้ตัณหาไม่มีที่อาศัยะจิตก็ปล่อยก็วางไปทั้งหมดเลยนะจิตก็สามารถที่จะหลุดพ้นได้จากการยึดติดในสภ า, าวะธรรมต่างเพราะฉนั้นหลังนั้นมันก็กลายเป็นผู้ดูผู้รูไ้ไปเฉยๆท่า น, นเองไม่เป็นผู้เป็นนะมันที่หลวงพ่อําเขียรร้ยวบอกว่าเห็นแต่ไม่เป็นนะเราก็อยู่ในสภ า, าวะของความที่เราเห็นเป็นผู้ดูนั่นแหละเราไม่ไปเป็นอ่า สิ่งต่างเหล่านั้นต่อไปนะ <c oughs> เราก็จะเข้าใจมันก็เราได้ดูละครต่างๆแล้วนะเราก็ละครก็คือเป็นละครเราไม่ได้ไปแสดงอย่างอย่างเก่านะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไปแสดงในละครนั่นเองนะเป็นผู้แสดงไปนะแสดงก็คือเราเป็นผู้โกรธผู้รักผู้ชงังผู้เกลียดผู้หลงทั้งวันนะแต่เราเป็นผู้ดูแล้วเราก็เห็นมันมีได้นะความเกลียดความรักความชางังความโกรธ ความโลภความหลมันมีได้แต่มันไม่ใช่เราแล้วนะมันก็เป็นแค่การที่เขาเล่นละครน้เราดูเท่านั้นเองเขาไม่ได้หายไปแต่เขาแค่เล่นละครให้เราดูแล้วเราเป็นผู้ดูเราก็เลยอยู่เหนือเขานะมาก่อนเราเป็นผู้รักผู้ชงังผู้โกรธผู้หลงเราตอนหลังเราก็กลายเป็นผู้เห็นไปผู้เห็นความรักความชางังความโกรธความหลงมันมีอยู่แต่ว่าเราไม่เราไม่เป็นผู้เป็นแล้วนะเราก็กลายเป็นผู้ดูไปได้เลยนะ ตรงเนี้ยเราก็จะพน้นจากความทุกข์ได้นะเพราะฉะนั้นการที่เราไปบัติในตรงนี้เราก็คือกลับมาย้อนเข้านะมารู้สมุดฐานของความทุกข์นั่นเองนะความทุกข์ก็คืออารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละความโลภความหลงความโกรธทั้งหลายงานะนี้คือคือสมุดฐานนะแต่เมื่อเรารู้เราเข้าใจสมุดฐานของเขาแล้วว่าเขาเขาเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่เกี่ยวกับเรานะเพราะว่าสภาวะที่เขาเกิดนั้นมัน เป็นไปตามที่จิตเขาปรุงแต่งไปและจิตก็ไม่ใช่เราด้วยนะจิตไม่ใช่เราเพราะภาวะความปรุงแต่งจึงไม่ใช่เรานะเราก็ออกมาจากความปรุงแต่งได้นะกลับมาเห็นสมุทยัยคือความที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์นะเหมือนที่หลวงพอเทียนบอกว่าเออไปบัดแล้วเนี่ยไม่เกิน3ปีก็จะเป็นผู้ที่ความทุกข์น้อยลงหรือไม่มีความทุกข์เลยก็เพราะเราเห็นสมุทยัยอ่าคือต้นเหตุของความทุกข์ ทั้งหลายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ติดในตรงนั้นอีกจิตมันจะวางจะคลายของเขาเองนะเราไม่ต้องพอถึงระดับนั้นเราก็ไม่ต้องไปตั้งใจว่าต้องให้เขาคลายออกไม่ต้องไปตั้งใจไปละไปปล่อยไปวางจิตเขาปล่อยเขาวางเขาคลายเขาเองนะพะจิตสภาวะที่เขาเกิดปัญญาตรงนั้นแล้วเขาวางเขาได้เองแล้วโดยตัวเขาเองเลยตรงนี้มันก็เป็นธรรมชาติจริงๆว่าเราก็จะความทุกข์ได้อย่างแท้จริง แล้ถ้าการที่เราเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้นถ้าความเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงทิ่ถาวร น, นะอันนี้ก็คือการที่เราบรรลุธรรมแล้วนะการบรรลุธรรมจึงไม่เป็นเรื่องยากสามารถบรรลุธรรมได้ในชาติปัจจุบันนี้นั่นเองเพียงแต่เราให้เข้าใจการบัตรที่แท้จริงนะเราก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ดทุกๆคนนะและนี่ก็คือความพ้นทุกข์แล้วที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้อรหัสมาบารมีคุณพระรันาตนตรัย ขอทุกท่านเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกดานอ ย, าอย่างแท้จริงในชาติปัจจุบันนี้ทุกท่านเทอ